ผู้ปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิพักับพระโซดาบันภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพทภธภะธรรมรมวิญญาณหกสัมผัสหเวทนาหกสัญญาห ก, ส, ญญาหกสัญเจตนาหกตัณหาหกาธาตุหขันห้าไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนกลายเป็นอย่างอื่นได้ ผู้ใดเชื่อน้อมใจดิ่งต่อธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นศรัทธานุสารีเป็นผู้ก้าวลงสู่สมมตินิยามก้าวลงแล้วสู่ภูมิแห่งสัตว์บุรุษล่วงเลยภูมิแห่งปุถตุชนไปแล้วเป็นผู้ไม่อาจกระทากรรมชนิดที่กระทาแล้วจะพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโศดาปฏิพั สำหรับผู้ใดธรรมะเหล่านี้ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณผู้นี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเป็นผู้ก้าวลงสู่สมมตานิยามไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผลส่วนผู้ใดรู้ธรรมเหล่านี้อย่างนี้มองเห็นอย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า